เป็นสุกเป็นทุกข์ทั้งกายทายั้งจิตใจถ้าไม่เห็นแจ้งก็จะเข้าไปเป็นผู้สุขผูข้ทุกข์ไปนความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาสม่กันบางทีมันมีกิเลสกามลาคาปะปฏิฆะเกิดขึ้นเราไม่เห็นแจ้งก็จะพัดเข้าไปอยู่ในอารมณ์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 ของส่มันมั่นคงก็คือความราู้สึกตัวอันนี้ใช่ได้สิ่งไหนมันไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์สิ่งไหนมันมันเป็นทุกข์สิ่งนั้นครยึดควรถือไม่ควรว่าเป็นตัวเราเป็นของเราที่หน้ามันว่นนี้ผู <c oughs> กระจายโทน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 ไห้มันเห็นแจ้งอ่ะมันมาให้เราเห็นลูกแจ้งในเรื่องเหล่านี้ลู่แจ้งในเรื่องลูกลู่แจ้งในเรื่องเวทนาลู่แจ้งในเรื่องของความคิดอารมณ์ลู่แจ้งในธรรมที่เป็นกุศลอกุศลนั่นและเรียกว่าวิปัสสนา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 มันก็ไม่ลึกลับซับซ้อนมันก็บอกเก่งๆต่อเราเราก็ไม่อยากรู้ไม่ได้กลบเกือนไม่ได้ทับเอาไว้เหมือนสมถะเป็นหินศิลาทับยา่าเหมือนกับเพ่งเอาไว้สร้างสติเป็นอัฏฐชิวัฒานุโย ก, ก็ไงนะการเจริญสติเป็นอัฏฐชิวัฒานุโยกเพ้ง สติไม่อยากพูดอยากจ้ากับใครไม่อยากทำอะไรปฏิเสธหมดทุกอย่างนั่นแหละ อ, อัตาจิทธาดุโยกไม่ใช่มัชฌิ ม, มาปิิปทาให้มันชัวช์ๆไม่ใช่เจ่งเคิมไม่ใช่ถนอมเ้าต้องอะไรมันจะเกิดอะไรมันจะเกิด ไม่กลัวให้มันเกิดขึ้นมาอาก็เห็นได้โหยก็ได้ยินอ่าไดเ ย, ย็นได้เห็นได้ไปได้มาไอ้ได้เห็นว่ามันอะไระเฉลยได้อือ ม, มันเรื่องอืมมันเป็นนี้ไม่มีการบ้านอืมอืมทำมาอื้งเลยทำมาเออนในราว่าชัยยพูมันดีมันเห็นแล้ว มันก็เชียมแข็งเห็นความคิดก็เห็นเวทนาก็เห็นธรรมที่มันเกิดขึ้นเป็น um ผู้นแล้วผ no> ู้ชนก็เห็นเรื่องของกายเรื่องของจิตเข้าใจมันคำว่าอือคือมันลึกซึ้งแล้วมันเห็นแล้วเมื่อขอให้มันแล้วเข้าใจแล้วอะไรคือ ทำอะไรคืออาธรรมอะไรที่ควรเกี่ยวข้องขนาดไหนเพียงไรเกี่ยวข้องด้วยบรรเทาเกี่ยวข้องด้วยตําหนดลูกก็รู้แล้วเกี่ยวข้องโดยการละไม่มีอะไรไม่เหลือหรอถ้าเป็นฌานก็เผาไหม้แล้วไม่แล้ว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 ไม่หลยเข้าไปอยู่กับการเห็นเห็นแล้วก็แล้วแล้วสาเร็จประโยชน์แล้วสำหรับตาจะใช่เดินทางก็สาเร็จแล้วแต่ใช่ดูหนังสือก็สาเร็จแล้วจะใช่ดูนาฬิกามันก็บอกแล้วสาเร็จแล้วจะใช่ดูอาหารการกบทฉันก็ดูแล้วสาเร็จแล้วขออย่าให้มันเกินนั่นไป ถ้ามันเกินนั้นไปมันก็ยาวไปละก็ปรุงแต่งไปไม่เฉพาะเรื่องอ่าสตินะลแล้วรู้แล้วเอาเอาคุณภาพของสติคือรู้แล้วอเห็นกายก็รู้แล้วเห็นเวทนาก็รู้แล้วเห็นความคิดก็รู้แล้วเห็นธรรมเอรู้แล้วอดส่นรู้แล้ว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 จะเป็นธรรมที่เป็นกุศลในเรืว่ามันมันเป็นวิปัสสนาถ้าเราทำโถกนี่ให้มันเห็นซื่อๆเห็นยิ่มแย้ ม, ยมลักษณะการเห็นนี่มันเป็น AL, อันเดียวภาวะที่เป็นการเห็นมันเป็นอันเดียว ทำให้เกิดการเห็นเเลยนมกว่าตัวเองโมจิเลสสองสามปีมาแล้วผมมีสติแขางเต็มที่ผมศรัทธาปฏิบัตินี่มากมากปฏิบัติอย่างนี้ผมศรัทธาผมมั่นใจฮะขอขอมาเห็นขอมันเกิดคิดขึ้นมาเกิดปรงแต่งขึ้นมาเซซัดเซโซไปหน่อยนึงขอตั้งหลักได้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 แทุกมันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาจนมีกลิ่นเหม็นจากความคิดที่คิดไปฝันไปโปร่งแดงเป็นรูปเป็นล่างขึ้นนะโอ้ยนี่แหละความโกสอนให้เราไม่โก้กินเหลดสอนให้เราหมดกินเหลดชนะกินเลดได้ความทุกสอนให้เราชนะทุกได้ตรงนี้นะทีปพัชนาณ์นะจะไปกครบกอน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 เป็นห่วงลูกชายมันกินเหล้ามันเอาเงินไปใช้เนี่ยให้หรือเปล่าระวังนะระวังอย่าให้ความคิดหลอกนะอย่าให้มันหลอกนะบางทีความคิดมันพาไปอย่าไปห่วงเลยมากรู้เท่ารู้ทันมานะบาทีต้องไปชวนพระไปโทรทรศัพท์ตูสอเทรณะเป็นความคิดหรือเปล่ามันจาเป็นไหม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 หน้าตาค่อยยิ่มขึ้นที่แรกมาลากับหน้าไม่ค่อยดีคิดห่วงหลานพ อ, อกว่าหลานจะมาเยี่ยมนดีใจขนาดอ่ะพายามกลับไปอ้าวไม่เกียนหลานมาเยี่ยมจริงๆนะคุณดุดโอ้ยว้าลื่อนมาพาหลานมากราบหลวงพ่อหลวงพ่อพูดโพูดโตพูดโตอ้ามันความคิดนะ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 นิมิตบางทีมัก็จริงเหมือนกันแต่บาทีมันก็ไม่จริงเหมือนกันอันที่เป็นนิมิตทุกคนก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราไปคอยที่จะใส่ใจเรื่องนั่นเรื่องเดียวมันก็เข้าไปอยู่ในสภาพเพี้ยนอะบางคนก็หลงตัวไปเลยอ่า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 ลองมาสู้มาฮึดสู้มาทวนกระแสเอาอย่างพระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมากกวเราด้วยประสาทสามฤดูเป็นเจ้าพามากษัตริย์เป็นโอรสสาธิราชจะเป็นจักรพรรดิอยู่แล้วไหนจะต้องมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้อยู่องค์เดียวผู้เดียวต่างลง